สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้มันจะเป็นหลักเลยถ้าเข้าใจที่หลวงพ่อสอนแล้วนะต่อไปไม่ว่าจะไปฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนก็จะเข้าใจรู้หมดเลยว่าแต่ละองค์ที่สอนนะอยู่ตรงจุดไหนคล้ายๆเราเห็นภาพรวมของการปฏิบัติทั้งหมดไว้แล้วเราไปฟังตรงไหนเราก็รู้แล้วล่ะอยู่ตรงไห น, นตรงไห น, นคาสอนทั้งหลายนะในบ้านในเมืองเราเนี่ยมันมั่วซั่วไปหมดแยกแย ะ, แยะไม่ค่อยได้กัน ว่าอันไหนเป็นสมถะไหนเป็นวิปัสนาจุดใหญ่ก็คือเขาไม่สามารถแยกได้ว่าสมาธิมีหลายชนิดสมาธิส่วนใหญ่ที่ทำกันไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสนาสมาธิที่จะใช้ทาวิปัสนากรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเรียนโดยเฉพาะเลยนี่บางคนก็ที่สอนสอนกันทั่วๆไปนะก็ทำสมาธิชนิดที่เป็นสมถะ สอนให้เพ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วบอกเดี๋ยวปัญญาจะเกิดมันไม่เกิดหรอกนี่ไม่ใช่หลวงพ่อผู้เรียงเลยนะหลวงตา ม, มหาบัวเคยพูดออกโทรทัศน์เลยม่นไม่ใช่นั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วปัญญาจะเกิด อ, กอีกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยอยู่ๆก็กํากหนดรูปกําหนดนามกาหนดยกย่างพองยุบเลยต่ออะไรไปเรื่อยไม่มีการเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนเพราะงั้นจิตเนี่ยจะไปเพ่งท้อง เวลาดูท้องก็เพ่งท้องดูลมก็เพ่งลมดูเท้าก็เพ่งเท้าเอสก่อนที่เราจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาได้เนี่ยจาเป็นต้องมาฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องสก่อนไม่มีสมาธิที่ถูกต้องมีมิจฉาสมาธิก็เคลิ่มซึมซึมไปไม่ได้เรื่องอะไรหรือเห็นโน้นเห็นนี่นั่งเราก็เห็นแสงเห็นสีเห็นเทวดาเห็นผีเห็นอะไรต่ออะไรนะ ไม่เห็นอย่างเดียวคือกิเลสในใจตัวเองใช้อะไรไม่ได้หรอกนั่นเป็นพวกนั้นเป็นมิจฉาสมาธิพวกไม่มีสมาธิเลยก็เพ่งกายเพ่งใจไปเลยนะไม่สามารถถอยออกมาเป็นคนดูกายเป็นทํางานไม่สามารถถอยจิตออกมาเป็นคนดูจิตมันทํางานยิ่งการที่จะมาฝึกสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อแจ่มชี้แจ่มชัยกับสมาธิชนิดนี้มาตลอดเลยนะ ที่พวกเราพัฒนาอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าจิตของเรามันถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้แล้วมันถึงแยกรูปนามได้งั้นการทำสมาธินะเราทำเพื่ออะไรมีสองวัตถุประสงค์เวลาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยทำสมาธิเพื่อพักผ่อนอันนี้สมาธิทั่วทั่วไปอันที่สองเราทำสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามารถเห็นรูปธรรมนามธรรมาแสดงไตรลักษณ์ได้นี่เป็นสมาธิเพื่อการเจริญปัญญา มี2ชนิดเวลาเจริญปัญญาเนะีเริ่มต้นต้องแยกรูปนามก่อนปัญญาเบื้องต้นเรียกว่านารูปปริเฉทญาณรูปธรรมนั่งอยู่นามธรรมเป็นคนดูรูปธรรมเดินรูปธรรมหายใจนามธรรมคือใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างนั้นฝึกเพื่อยๆไปแล้วก็แยกความรู้สึกออกไปสุทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งดีชั่วก็อยู่อีกส่วนหนึ่ง ใจเป็นคนดูอยู่ตระหามเนี่ยค่อยๆหัดแยกไปแยกขันออกไปพอแยกขันได้แล้วแต่ละขันจะแสดงไตรลักษ์ให้ดูตรงที่แต่ละขันแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นได้นั่นแหะตรงนั้นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะงั้นวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าการเจริญปัญญาทั้งหมดเป็นวิปัสสนาตรงจุดที่สามารถเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมได้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะถ้าเห็นรูปนามแยกกัน เป็นส่วนส่วนได้เป็นขันขันได้คําว่าขันก็ ค, คือว่าส่วนนั่นเองคําเดียวกันภาษาไทยคือคําว่าส่วนภาษาพิลีคือคําว่าขันอย่าไปตกใจกับคําว่าขัน5ขัน5ก็คือ5ส่วนนะแยกสิ่งที่เป็นตัวเราออกเป็น5้าส่วนตรงที่หัดแยกขันนั่นแหละเป็นปัญญาเบื้องต้นยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตรงที่เห็นขันแต่ละขันแสดงใจลักษอันนั้นเป็นวิปัสสนานะ นี่ก่อนจะทําวิปัสสนาได้จิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องก่อนครูบาอจารย์องค์หนึ่งนะท่านสอนสมาธิสองชนิดคือหลวงปูเงเ่เทศหลวงปู่เทศเทศรังสีหลังๆเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักท่านาคิดว่าท่านภาวนาไม่เป็นคิดว่าท่านภาวนาผิดซะด้วยซ้ําไปเพราะท่านไม่ได้สอนมาให้พุทโธเราไปพิจารณากายตอนหนุ่มๆท่านสอนนะแต่พอท่านอายุมากขึ้นนะท่านแตกฉานมากขึ้นนะท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นลนะ เหมืนหลวงปู่ดุลไม่มาสอนเรื่องคงเรื่องกายอะไรแล้วท่านรือว่าเป็นของง่ายมากหรือครูบาอาจารย์อื่นๆก็เหมือนกันสมัยท่านยังหนุมหน่มๆนะยังหลวงปู่เหรียนนะ่นอายุยังไม่มากหลวงพ่อเข้าไปกราบท่านนะท่านจะสอนในเพื่อพุโทโธ พ, พิยนักกายหลังๆไปสอนที่สลาลูชินนสอนในเรื่องจิตทั้งนั้นเลยเปลี่ยนหลวงพุทเทศสอนสมาธิสองชนิดชนิดที่หนึ่งท่านเรียกว่าฌาน ชนิดที่สองท่านเรียกว่าสมาธิอันนี้เป็นสัพท์ที่ท่านคิดขึ้นเองนะถ้าสัพท์ที่ถูกต้องตามหลักปริยัตินะคำว่าฌานของท่านคือคำว่าอารามันูปนิฌานกันที่จิตเพ่งอยู่ในอารมณ์ัเดียวคำว่าสมาธิของท่านนะมันตรงกับคาว่ารักขณูปนิฌานที่จิตตั้งมั่นแล้วเห็นไตรลักษณ์เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ได้แล้วสมาธิมีสองอัน นะสมาธิที่เพ่งให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนั้นเป็นสมถกรรมฐานเอาไว้ทำความสงบไว้พักผ่อนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเอาไว้ทำวิปัสสนาเราต้องแยกสมาธิสองชนิดนี้ให้ไดนะ้เรารู้ว่าจิตของเราดำเนินอยู่ในสมาธิชนิดไหนตัวนี้เรื่องใหญ่เลยตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะตอนบวชใหม่ๆบางคนนะติดสมาธิแบบ เพ่งมาอย่างรุนแรงหลวงพ่อบอกหยุดก่อนอย่าเพิ่งทําทําผิดแล้วอย่าเพิ่งทำํำนะก็เอาไปสอนไปพูดต่อนะว่าหลวงพ่อประโมทบอกว่าอย่าทําสมาธิอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ได้ยินแล้วงงว่าทําไมไม่ให้ทําสมาธิไอ้ที่ทําอยู่มันเป็นมิจฉาสมาธิไปทํำหาสวรรค์วิมานอะไรทําแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไอ้ที่ทําผิดอยู่นะเลิกไปซะก่อนแล้วมาเรียนของใหม่ที่มันถูกซะ สมาธิสองชนิดชนิดที่1ทําไปเพื่อความสงบเรียกว่าระมณูพนิชฌานจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะยนันวิธีการก็คือเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์เคล็ดลับของการทําความสงบนะต้องอยู่ที่การเลือกอารมณ์จิตไม่สงบเนี่ยเพราะจิตเที่ยววิ่งหาความสุขวิ่งไปดูหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปฟังหวังว่าจะมีความสุข วิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปริมรถวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งหวังว่าจะมีความสุขจิตวิ่งหาความสุขอยู่ตลอดเวลาจิตถึงได้ฟุ้งซ่านงั้นวิธีทําจิตให้สงบนั้นก็คือหาความสุขมาล่อจิตความสุขก็เหมือนเหยื่อตกปลาอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับเรานั่นแหละคืออารมณ์ที่ปฏิบัติแล้วมีความสุขถ้าคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธไป คนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปคนไหนดูพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบคนไหนขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียแล้วมีความสุขก็ขยับมือไปเมื่อจิตได้อารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตจะไม่วิ่งพล่านไปหาความสุขที่อื่นจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเคล็ดลับอยู่ตรงนี้งั้นอย่างหลวงพ่อนนะหัดมาแตเด็กหลวงพ่อหายใจแล้วมีความสุขหลวงพ่อหายใจจะสงบทันทีนะ เมื่ท่นสุดลมหายใจก็จิตก็สงบละเพราะมันมีความสุขมันไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเังนัเราต้องไปสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขเมื่อชาวสอนเรื่องให้ดูจริตนะดูจริตแล้วเลือกอารมณ์เนี่ยมักจะเหมาะมักจะมีความสุขแต่ถ้า เลือกอารมณ์ตามตำราแล้วเช่นเป็นราคาจริตต้องพิจารณาสุภาษะแต่พิจารณาสุภาะแล้วไม่มีความสุขก็ขไม่เอาก็าต้องเปลี่ยนซะเหมือนที่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนให้พระที่ภาษาริบุตรให้ดูศพแต่ว่าพุทธเจ้าให้ไปดูดอกบัวเทนะ่านั้นดูดอกบัวแล้วมีความสุขใจก็สงบชื่นมื่นอยู่กับดอกบัวนะก็ได้ความสุขได้สมาธิงั้นเราดูนะตัวเองอ่ะแต่ละคนมีความสุขไม่เหมือนกัน แต่อารมณ์ที่มีความสุขนั้นจะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยัย่วกิเลสถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุข n นะดูบอลโลกจน ต, ตาริบหีริบดีนะสตีแตกนะมีความสุขอย่างนั้นไม่เกิดสมาธิอารมณ์ที่จะให้เกิดสมาธิได้ต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขด้วยและไม่ยั่วกิเลสด้วยนะยิงนกตกปลาแล้วมีความสุขนี่ไม่เกิดสมาธิที่ดีหรอกมันเป็นสมาธิที่เลวนะสมาธิออกนอกงั้นเราต้องดูตัวเอง คนไหนอยู่กับพุทโธมีความสุขก็อยู่กับพุทโธไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมไปคนไหนเจริญเมตตาแล้วมีความสุขก็เจริญเมตตาไปแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันอันนี้แหละคือเหตุผลที่หลวงพ่อไม่จัดคอร์สด้วยตัวของหลวงพ่อเองส่วนใหญ่ที่เขาทากรรมฐานยุคนี้เขาชอบจัดคอร์สกันนะเข้าคอร์สกินพร้อมกันนั่งพร้อมกันเดินพร้อมกันสวดมนต์พร้อมกันทําทุกอย่างเหมือนเหมือนกัน ทำไมหลวงพ่อไม่ทำเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยทำนะพุทธเจ้ามีแต่สอนหลักให้เหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่แหละสอนหลักของการปฏิบัติให้เมื่อเข้าใจหลักปฏิบัติแล้วท่านไล่เลยโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนี่ลอมฟางนี่ถ้ำนี่ภูเขาต่างคนต่างแยกย้ายไปภาวนาทางใครทางมันนะไม่ใช่ทุกคนนั่งพร้อมกันเดินพร้อมกันยกขาพร้อมกันกรรมฐานอะไรแาบนั้นอย่างนั้นมันฝึกโยธวิชิตแล้วทำให้พร้อมเปลี่ยงนะ งั้นเรียนหลักนะหลักก็คือถ้าจะทําความสงบเนะี่ยรู้จักเลือกอารมณ์ฉลาดหน่อยทางโลกเราฉลาดเหลือเกินแต่ละคนนะทางทํามไม่ค่อยฉลาดก็ใช้ไม่ได้หรอกไปสังเกตตัวเองเอาว่าอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขแลอารมณ์นั้นต้องไม่ยัว่วกิเลนด้วยนะด่าคนแล้วมีความสุขไหมมีนะบางคนด่าแล้วมันใช่ไหมมีความสุขสง บ, สงบไหมไม่สงบหรอกนะใช้ไม่ได้หรอก ก็ต้องเอาอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็ไม่ยั่วกิเลสนะพุทโธมีความสุขก็พุทโธไปพุทโธไม่ได้เสียหายอะไรรู้ลมหายใจไม่ได้มีความเสียหายอะไรไม่ยั่วกิเลสนะเนี่ยดูเผื่ถ้าดูรูปโปแล้วใช่ไหมมีความสุขอย่างนั้นจิตไม่สงบหรอกนะดูหนังโปดูอะไรมีความสุขไม่สงบหรอกนะเพราะมันยั่วกิเลสไปดูตัวเองนะเพราะครูบาอาจารย์ไม่สามารถสอนพวกเราทีละคนได้ตอนนี้เป็นระบบแมชโปรดักต์แล้วนะ ดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็น้อมใจอยู่กับอารมณ์ น, นั้นนนึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆเช่นพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธบ่อยๆพุโทโธพุโทโธไปใจมีความสุขใจไม่หนีไปที่อื่นสงบได้สมถะสมถะาไว้ทําอะไรเอาไว้พักพอร์ตเวลาที่เราทํำวิปัสสนามากๆ ม, มันเหนื่อยจิตมันจะแห้งแล้งมันจะเหนื่อยหมดเรื่องหมดแรงก็ทํามสมถะให้จิตชุ่มชื่น เวลาเดินวิปัสสนานะีมันเหมือนแสงแดดแผดเผากิเลสนะมันเผาน้ําในดินแห้งไปเลยดินนีปลอยแห้งไปด้วยสมถะก็เหมือนเติมน้ําลงไปในดินให้ดินชุ่มชื้นให้หัวใจเราชุ่มชื้นถ้าวิปัสสนานะี่ยมันจะแผดเผาจน ใ, นใจเราแห้งไปเลยวนะิปัสสนาล้วนๆเนี่ยเพราะฉะั้นถ้าทําสมถะได้ให้ทำนะไม่ใช่ไม่ให้ทําแต่ทําให้ถูกไม่ทามิจฉาสมาธินั้นะไม่เอาเลย สมาธิที่ไม่ดีนะคือสมาธิที่ต่อยอดไม่ได้นะหรือสมาธิที่ทําแล้วกิเลสครอบงอํางนั่งแล้วก็นั่งแล้วนั่งหลับเนี่ยป่วยการนั่งไปนอนซะดีกว่าโยกไปโยกมาเดี๋ยวคอเคล็ดนะสมาธิอย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธิหรือนั่งดูไฟจุดเทียนแค่แล้วนั่งดูไปเรื่อยนะสงบแหมสว่างดูไปดูไปเห็นเทวดาเห็นผีเห็นเลยออกข้างนอกไปอีกสมาธิอย่างนี้นะสงบเหมือนกันนะแต่ไม่ดีหรอก ต่อยอดขึ้นพิพัฒนายากสมาธิที่ดีต้องเป็นสมาธิที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราย้อนกลับมาดูกายดูใจได้ง่ายถ้าอยากพ้นทุกเร็วเลือกสมาธิที่มันเนื่องด้วยกายด้วยใจอย่างพุทโธพุทโธเนี่ยเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยใจใจเป็นคนท่องพุทโธพุทโธแล้วก็รู้ทันใจไปพุทโธพุทโธนะใจสงบก็รู้พุทโธใจฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธใจสุขก็รู้พุทโธใจทุกก็รู้พุทโธแล้วก็รู้ทันใจไปได้ใจค่อยๆเชื่องสงบเข้ามา หรือรู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจก็ไม่ใช่รู้อยู่ที่ลมอย่างเดียวนะรู้ลมแล้วก็รู้ทันใจของเราหายใจไปใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้รู้ไปเรื่อยแล้วต่อไปใจมนจะรวมสงบเข้ามาพวกเราเคยได้ยินชื่อคุณแม่จันดีไหมแม่จันดีน้องหลวงตามหาบัวพ่อน่เก่งนะหลวงตารับรองเลยว่าผลทุกมาตั้งแต่สิงหาสมหเนี่ยสิงหาปีม หลวงพ่อไปเจอท่านไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลท่านก็ถามบอกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ภาวนามาอย่างไงทําไมจิตมาลงที่เดียวกันเขาบอกท่านหอกว่าตามาหายใจนะหายใจเราก็รู้ทันจิตนะลมหายใจค่อยๆสงบสงบนะจ น, นลมมันหยุดที่ปลายจมูกกลายเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างเราไม่ตามแสงไปเที่ยวหรอกนะเรารู้ทันจิตอยู่จิตเคลื่อนออกไปเรารู้จิตเคลื่อนออกไปเรารู้จิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้เด่นดวงอยู่ ท the years, ่านบอกทั้งนั้นอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจหลวงตามมาหาบัวให้ท่านพุทโธพุทโธเนี่ยท่านกําหนดจิตไว้ตรงนี้สบายๆที่เดียวกันเลยนะหลวงโตเนี้ยเพราะเวลาเราหายใจพอลมหยุดมันจะมาหยุดที่นี้ท่านพุทโธอยู่ตรงนี้เลพุทโธพุทโธแล้วก็รู้ท่านจิตที่เคลื่อนไปพุทโธจิตเคลื่อนรู้พุทโธเคลื่อนรู้จิตพุทโธไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตเคลื่อนก็รู้จิตอยู่ก็รู้นี่สวจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมา ก็ได้สมาธิแต่สมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิชั้นดีนะสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็ น, ปนอีกแบบหนึง่งไม่ใช่แค่สงบเฉยเจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูงั้นะสมาธิมันมีสองอันนะถ้าน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์ที่สบายเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นได้สมถะแต่ถ้าทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตสุขจิตทุกข์จิตดีชั่วรู้รู้ไปเรื่อยนะใจมันจะตั้งมั่ น, นจะรู้สึกตัวมันจะตื่นขึ้นมา ภาวะแห่งความตื่นนี้จะเกิดขึ้นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้ตื่นนมันตรงข้ามกับจิตที่ที่เป็นผู้หลับผู้ฝันผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตโดยทั่วไปนั้นเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลับผู้ฝันตลอดเวลาคิดโน้นคิดนี้ตลอดเวลาท่านแต่ตื่นจนหลับหลับแล้วก็ฝันต่อจิตอย่างนั้นน่ะไม่ใช่จิตผู้รู้แต่เป็นปิดจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ง วิธีที่จะมาฝึกให้เกิดสมาธิอย่างที่สองคือจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาก็าอาศัยกรรมฐานเคยทํากรรมฐานอะไรก็ทำอันนั้นแหละเคยพุโทโธก็พุโทโธไปเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจแต่ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่พุโทโธไม่ได้น้อมจิตไปอยู่กับลมนะไม่ได้น้อมจิตไปอยู่กับแสงแต่ว่าพุโทโธไปหายใจไปนะดูทํากรรมฐานอะไรไปแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อน พุทโธพุทโธจิตหนี้ไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบจิตนี้ไปคิดรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วอะไรขึ้นมาก็มันก็รู้ไปด้วยรู้อัตโนมัติไปหมดอ่ะตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะหยุดไหลโดยอัตโนมัตินะมันหยุดเองไม่ต้องตั้งใจให้หยุดมันจะหยุดเองจิตที่ไหลไปนั้นเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตมีกิเลส ทันทีที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตม ah so ีก so ิเลสคือจ so ิตไหลไปจิตฟุ <ations> ้งซ <pad> ่านไปนะกิเลสจะดับอัตโนมัตินี่คือกฎของธรรมะนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั lenses. ้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่คือกฎของธรรมะเพราะฉะนั้นทันทีที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลจะดับอัตโนมัตินะทันทีที่จิตไม่ไหลจิตก็ตั้งมั่นจิตที่ไม่ไม่ไม่ไหลไปมันก็ตั้งอัตโนมัติขึ้นมาไม่ได้เจตนาให้ตั้งตั้งเองนะ จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี้พอเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วเราได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปเราจําจิต ท, ที่ตั้งมั่นได้เราจงใจตั้งขึ้นมาเลยอันนี้จะเป็นตัวรูปปลอมนะตัวรู้ปลอมมันจะเหมือนรู้สึกตัวอยู่แต่มันจะแข็งแข็งทื่อทื่ถ้าเมื่อไหร่พอนาแล้วรู้ตัวอยู่แต่แข็งแข็งทื่อทแสดงว่ามีตัวรูปปลอมไม่ใช่ของจริงนะเป็นตัวรู้ที่จงใจทําขึ้นมาให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะ พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้รู้อย่างนี้เรื่อยๆจิตจะไม่ไหลจิตจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่คือสมาธิอย่างที่สองจิตจะเป็นคนดูนะจะหลุดออกจากโลกของความคิดนะมันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วเคลื่อนไหวเห็นจิตมันคิดได้ด้วยไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะ แต่จิตคิดได้แต่จิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะหลวงพ่อเตียนเข้าใจธรรมมาขึ้นมาน ะ, พ ร, าะพระหลวงพ่อเทียนเห็นจิตที่มันคิดเห็นความคิดมันผลักตันจิตใจอยู่เบื้องหลังนะผลักคิดอย่างนี้ไปเขผลักให้สุขคิดอย่างนี้ผลักทุกคิดอย่างนี้ผลักให้ดีคิดอย่างนี้ผ ล, ล, ลักให้ชั่วแล้วท่านเห็นสภาวะเกิดดับสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะ ร่างกายหายใจออกเกิดแล้วดับร่างกายหายใจเข้าคือระดับจินถอยออกมาเป็นคนดูหลุดออกจากวความคิดไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะคิดได้แต่จิตมันถอยออกมาหลุดจากความคิดหลวงปู่ ด, ดูลสอนนะคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดก็พยายามไปฝึกที่จะไม่คิดกันหลวงพ่อเทียนบอกว่าเนี่ยคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวนะก็กะฆ่าฆ่าหนูให้หมดเลยเหลือแต่แมวในโลกเนี้ย ห้ามคิดบางคนไปฝึกเคลื่อนไหวนะแต่เคลื่อนอย่างรุนแรงเลยเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อดึงดูดความสนใจมาอยู่ที่ร่างกายดึงดูดเพื่ออะไรเพื่อจะไม่คิดคิดได้นะไม่ใช่ไม่คิดเพราะจิตมีหน้าที่คิดหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนเนคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดคิดไปสิคิดไปแล้วเกิดสุขรู้ทันคิดไปแล้วเกิดทุกข์รู้ทันคิดไปแล้วเกิดกุศลรู้ทันคิดแล้วโลบปลดลงรู้ทันฝึกอย่างนี้มากๆ แล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมันจะเห็นทุกอย่างนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแล้วก็จะได้มรกได้ผลในเวลาอันสั้นนะจะใช้เวลาไม่มากหรอกแต่ถ้าเราไม่ได้เดินในหลักที่ถูกต้องนะเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตืน่นผู้บิกบานนะมีแต่จิตที่เพ่งซึมกระทือทื่อๆ น, นิ่งๆแข็งๆเดินปัญญาไม่ได้แจิตเป็นผู้รู้ก็สังเกตอีกผู้รู้จริงหรือผู้รู้ปลอม ผู้รู้จริงนะัจิตจะเบิกบานผู้รู้ปลอมจิตจะแน่นแน่นแข็งแข็งทำหน้าให้ดูนี่ผู้รู้ปลอมเห <c oughs> มือนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเมื่อวานนะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนะีย <c oughs> เราบอกเคยอย่างนี้ก็หลงนะสะบัดใส่เลยดิชันไม่เคยหลงเลย หัวเลาะตัวอะไรหัวเลาะเห็นอย่าดัดแปลงจิตนะจิตตอนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปดัดแปลงมันนะเห็นไหมเรารู้อย่างที่มันเป็นรู้สึกไหมภาวะแห่งความรู้สึกตัวนี้มันเกิดมันลุกโผลงขึ้นม า, ารู้สึกขึ้นมานไม่ต้องไปดัดแปลงมันเนี่ยรู้ทันนะห้ามมันไม่ได้หรอกตาเราเห็นรูปจิตมันก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยน นี่ในขั้นเจริญปัญญาแล้วนะแต่จิตมันเป็นคนดูละวเจะเห็นเนีจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงร่างกายยืนเดินนั่งนอนจะไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนจิตเป็นแค่คนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้านะร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูไม่ใช่เราสุขเราทุกข์เราดีเราชั่วแล้วเนี่ยตัวเราไม่มีเนี่ยถอนความเป็นตัวเราออก งั้นจะถอนได้นะจิตจะเดินตัญญาได้อย่างเนี้จิตต้องตั้งมั่นต้องตื่นเป็นสกอนงั้นบทเรียนที่พระเชอรสอนเนี่ยต้องเรียนให้ครบนะศีลสิกขาทําไงจะมีศีลจิตสิกฐ์ขาทําไงจะมีจิตที่ถูกต้องแล้วถึงจะไปเดินตัญญาส่วนมากไม่มีจิตศิกฐ์ขานะอย่างบางพวกก็นั่งสมาธิเลยแล้วก็ซึมไปเลยเป็นมิจฉาสมาธินะไม่มีจิตศิกขาไม่ได้เรียนรู้เลยว่าสมาธิมีหลายชน้น สมาธิที่จิตสงบทําอย่างนี้สมาธิที่จิตจะเดินปัญญาเป็นแบบนี้แยกไม่ออกเงินเป็นนั่งสมาธิแล้วซึมไปหรือสงบไปหรือเห็นโน่นเห็นนี่นะและเอาไปเดินปัญญาเดินไม่ได้จริงอีกพวกหนึ่งไม่เคยทําสมาธิเลยนะเองก็โยกน้อยา่างน้อเพ่งนออะไรไปอุตลุดไปนะ mm. ใจไม่ได้เป็นผู้รู้จริง mm. เดินปัญญาไม่ได้จริงเราอย่าข้ามบทเรียนของพู้เช่านะศีลสิกขาจิตตะศิขาปัญญ า, าสิกขาศีลสิกขาทำไงศีลจะมีเบื้องต้น จงใจรักษาศีลไว้ก่อนตั้งใจอยู่ที่เจตนาตั้งใจที่จะมีศีลเบื้องปลายให้มีสติคอยรู้ทันจิตถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันนะศีลอัตโนมัติจะเกิดเนี่ยเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตสิกขาทํายังไงจะสงบทํายังไงจะตั้งมั่นสมาธิมีสองอันต้องเรียนให้ได้ทั้งคู่แล้วดีที่สุดแต่ถ้าเรียนได้อันเดียวให้เรียนสมาธิตั้งมั่นให้ได้เพราะมีโอกาสได้มรรคผล เวลาได้มากผลนะ่าจะเป็นพระอาหารหันต์ชนิดที่เรียกว่าสุขาวิปัสสกะแห้งแหลงหมายถึงเดินมาด้วยความแห้งแหลงตอนเป็นพระอาหารหันต์แล้วไม่แห้งแห้งนะแต่ตอนที่พาวนาไปที่แห้งเลยเพราะไม่มีน้ํามาหยอดลงในจิตเลยคือไม่มีสมาธิไว้พักผ่อนนั้นถ้าทําได้สองอันทําสมาธิทั้งสองอย่างถ้าทําได้อันเดียวทําสมาธิที่ใช้เดินปัญญาจิตที่เป็นผู้รู้ลําบากหน่อยนะก็ะเซิร์ ก, กระเซิงไปนะวันหนึ่งก็พ้นไปได้เหมือนกัน นี้พอจิตมันเป็นผู้รู้แล้วนะก็เดินปัญญาเบื้องต้นแยกขันธ์กายส่วนกายใจส่วนใจสุขทุกข์ดีชั่วแยกออกไปต่อไปก็เห็นในกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสุขทุกข์ดีชั่วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งมีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง การที่เห็นร่างกายมันทํางานไปด้วยไม่ใช่เราการเห็นจิตมันทํางานไม่ใช่เรานั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนานะเมื่อเจริญมากพอแล้วอริยามรรคจะเกิดขึ้นเองเวนะลาอริยามรรคเกิดเกิดชั่วขณะจิตเท่านนั้นเมื่อวานบอกไปแล้วนะช่วงแว บ, บเดียวก็จบขาดตรงนั้นเลยอริยามรรคเกิดสี่ครั้งหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านใช้คำว่าจิตจิ้มถามหลวงปู่ครับต้องจิตยิ้มกี่ครั้งครับถึงจะพ้นทุกข์ หลวงปู่องสามสี่ครั้งมั้งเดี๋ยวนับก่อ น, นอ๋อ้ี4สี่สเงั้นวันนี้นะาไปหัดสมาธิเรียนเรื่องสมาธิสองอย่างนะให้ชนานาญเวลาต้องการพักผ่อนจะอยู่กับสมาธิอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขไม่ยั่วกิเลสอยู่สบายๆไม่ต้องกลัวโง่เพราะยังไงก็โง่นะต้องกลัวต้องการพักผ่อนอย่างฉลาดอะไรนั่หนา ถ้าต้องการเดินปัญญาก็อยู่กับสมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นสมาธินี้เกิดจากการรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนนั้นเคลื่อนไป2ลักษณะเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งเคลื่อนหลงออกไปกัเคลื่อนไปเพ่งนิ่งๆอยู่จริงๆไม่ใช่แค่คิดหรอกเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังก็ได้ก็จิตเคลื่อนเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดเพราะคิดเนี่ยคิดทั้งวันงั้นถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนไห ไปดูไปฟังไปคิดไปดมกลิ่นไปรู้รสไปรู้สัมผัสทางกายก็ใช้ได้จิตจะตั้งมัน่นเคลื่อนอีกอย่างหนึ่งเคลื่อนไปอยู่นิ่งๆรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างเมื่อวานพ่านั่งจําได้ไหมอ่านั่งแล้วดูลมหายใจเนี่ยจิตไปจับอยู่ที่ลมจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมซึมไปเลยถ้าเรารู้ท่านจิต ท, ที่เคลื่อนเนี่ยจิตจะตั้งขึ้นมาง่ายๆง่า ย, ายไม่เห็นได้ยากไหนไหน แต่กว่าจะสรุปออกมาได้นะโอ้พ่อนาหนักนะหลวงพ่อหลวงพ่อทํอามสมาธิทั้งยี่สิบสองปีหนึ่งแยกแยะสมาธิได้หลายอย่างเอาต่อไปให้ส่งกันบ้านให้คนอยู่วัดก่อนเท่าที่หลวงพ่อเทศนะค่ะว่าเวลาทํากรรมฐานอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามนหมายถึงว่าถ้าดูจิตก็ให้ดูจิตดูกายก็ให้ดูกายเอาอะไรให้มันเด็ดเดียวไปสักอันหนึ่ง เปลี่ยนตลอดเวลานะเดี๋ยวพุโทโธเดี๋ยวดูกระสินไฟอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวแผ่เมตตาอะไรเงี้ยมั่วอย่างนี้ต้องวันเดี๋ยไม่สงบหรอกแต่เวลาดูแต่ทําวิปัสสนานะเบื้องต้นก็ทําอันเดียวก่อนแต่พอมันชํานาญเป็นวิปัสสนาจริงแนละ้วไม่มีกายไม่มีจิตแล้วเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้จิตทํายังไงมันถึงจะสงบนะคะยกไม้ไหนไม่ได้ทํายังไงมันถึงจะสงบนะ ก็ให้รู้ทันสิถ้าอยากสงบก็อยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนนี่สอนแล้วนะยังจะมาถามอีกว่าทำยังไงก็สอนว่าม่าวมม น, <How S 2> นี่นะสอนตั้งแต่เช้าเลย h าวฮาวทูเนี่ยนะยังดูไม่ยังดูมิจาไม่ถูกต้องอะค่ะรู้ได้ไงว่าไม่ถูกรู้ว่าไม่ถูกเมื่อไหร่มันถูกเมื่อนั้นเลยนะออ uh huh. oh. เมื่อมะมะวานที่หลวงพ่อทักว่าจิตมันอยู่ข้างนอกอะค่ะก็กลับไปดูแล้วมันก็ไม่เข้ามันไม่รู้สึกตัวจริงๆอะค่ะมันยังทําผิดอยู่อะค่ะผิดรู้ว่าผิดเราใช้ได้อย่าพยายามทําให้ถูกนะค่ะพยายามเมื่อไรผิดเมื่อนั้น่ะไม่ต้องพยายามทําให้ถูกหรอก <นะ S 2> ขอบคุณค่ะครับเมื่อเช้าเพิ่งได้เห็นชัดๆนะเห็นความไม่ต่อเนื่องของมัน เห็นแค่นี้ถูกแล้วเป่าถูกถ้าเห็นความไม่ต่อเ น, นื่องก็คือเห็นสันตติขาดเกิดขึ้นมาแล้วขาดปั๊บเกิดใหม่ขาดปั๊บอย่างนี้นะแต่มันไม่ถึงกับขาดมันคล้ายๆมันแผ่วลงเออดูแผ่วๆไปก่อ น, <c oughs> นจริงๆมันขาดเลยนะขาด <c oughs> ชับชั บ, ช, บชับอยู่างนนะขึ้นมาแล้ ว, ลวก็ตกขึ้นมาแล้วตกแต่ <c oughs> เราเห็นเท่าที่เห็นได้ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นยังไม่ขาดเต็มร้อยแค่แค่ตกดรอปลงไปนะตกขึ้น ที่แท้ไม่ไม่มีนะทาบนี้ไม่มีมีแต่ตรงนี้ก็เกิดแล้วก็ดับตรงนี้เกิดแล้วก็ดับตรงนี้เกิดแล้วก็ดับอันนี้ทำมาตั้งหลายปีนี้ให้เห็นแค่นี้เองใช่ไหม <c oughs> ใช่ต้องการฝึกแค่นั้นแหละเห็นจนกระทั่งรู้เลยถึงวันหนึ่งนะมันจะรู้เลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไป <c oughs> ถ้าโสดับบันอย่างรู้แค่นี้เลยเราอยาเอาอะไร น, นักหนา <c oughs> นะควรทันยาท่านบอกเห็นนะ ยังกินจีสมูทะยัติธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละดับเป็นธรรมดาแม้ท่านจงเห็นแค่เกิดดับเลยเราจะเอาอะไรนักหนาตัวนี้สําคัญนะถ้าเห็นตรงนี้ได้แล้ววันหนึ่งข้าน่าจะนิพพานแน่นอนตรงที่จะนิพพานนะั้นมันจะเห็นเลยไอ้สิ่งที่เกิดที่ดับนั้นนะมีแต่ทุกเกิดแล้วทุกดับถ้าเห็นอย่างนี้นะจะเข้านิพพานนะ้วเราะไม่เอาแล้วโลกนี้ทุก อ้าใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อการหลวงพ่อค่ะคือไปอยู่อเมริกามาสามปีอะค่ะลรวก็คลอดลูกอยู่ที่น้นก็เพิ่งกลับมาได้ปีหนึ่งลูกเริ่มโตถึงเพิ่งได้มาค่ะทีนี้ระหว่างอยู่นน้นก็ปฏิบัติไปแบบเท่าที่จะพอได้อะค่ะแต่ก็หายหายไปบ้างค่ะรู้สึกว่ามันหลงมากขึ้นนะคะพอมีลูกอะค่ะให้ <c oughs> มีลูกเนะี่ยเอาลูกมาทากรรมฐาน อย่างใจห่วงลูกก็รู้นะใจโมโหลูกก็รู้นะใจรักลูกก็รู้นะคนอยรู้เรื่อยๆที่มันหลงมากขึ้นเพราะไม่ได้ไปีเพ่งเอาไว้ไม่เพ่งน่ะดีแล้วสังเกตไหมใจมันเคลื่อนไหวเ ป, เปลี่ยนแปลงตลอดเปลี่ยนค่ะแต่ว่ารู้ไม่ค่อยทัน น, นะคะไม่ต้องทันนะให้เปลี่ยนแล้วรู้อย่าไปรู้ทันโกรธ <ing> <ก> ไ, ไปแล้วรู้ว่าโกรธโลภไปแล้วรู้ว่าโลภนี่ค่ะให้รู้ความเปลี่ยนแปลงไปตามรู้ไปไม่ต้องรู้ทัน รู้ทันไม่ได้นะดูจิตดูใจเนี่ยไม่เหมือนดูกายดูกายลงปัจจุบันดูจิตเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันไปทำต่อนะไม่เสียหลอกที่ว่ามีลูกนะควรจะต้องเพิ่มระยะเวลาไหมคะแต่รู้สึกมันก็เพิ่มไม่ได้ปฏิบัติเราทำยีิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วเพิ่มไม่ได้เราในในรูปแบบอะคะ่ะหลวงพอ่อในรูปแบบเราไม่ค่อยว่างแล้วล่ะนะ เราทํางานบ้านเราก็เห็นร่างกายทํางานเห็นใจเป็นคนดูอะไรเงี้ยดูไปไหวพาสวดมนต์อะไรก็ทํานิดหน่อยไม่ต้องเพิ่มมากหรอกพอรู้สึกว่าจิตมันไม่ค่อยมีแรงแต่ว่าในรูปแบบเราก็ทําค่อนข้างน้อยอะค่ะลองดูนะแค่ไหนพอดีบพอดีเพรแต่ละคนไม่เท่ากันอกค่ะในชีวิตประจําวันก็รู้ไม่ค่อยทันถ้าใจมันออกไปอยู่ที่ลูกเสมอดค่ะงั้นต้องทําในรูปแบบเพิ่มหน่อยก็แล้วกันลองดูะนะ ช่วงนี้คนไทยในอเมริกามาเยอะนี่ค่ะเขาส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะในรอบเจ็เดือนค่ะที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านว่าให้ไปดูตัวมานยาค่ะเห็นไหม oh, เห็นไหมโอ้โหเห็นเห็นแบบกลับไปนี่มันกระแทกความรู้สึกมากเสียใจายมากค่ะออแต่ว่าก็เลยชวนจิตมันดูในมุมอนัตตาว่ามันบังคับไม่ได้ออมันก็เลยคลายขึ้นถูกแล้วคราวนี้เนี่ยหนูเห็นว่า ไอ้ตัวมันยาเนี่ยมันจะเล็กมันจะใหญ่ไม่เท่ากันกับคนที่เราเจอใช่ใชค่ะแล้วสิ่งที่เห็นก็คือว่าเวลาที่รู้บางครั้งเนี่ยมันมีมารยาที่จะรู้ด้วย <c oughs> แต่มันเนียนๆ น, น, นะคะมันมันจะเหมือนเหมือนรู้คร <c oughs> <c oughs> าวนี้เมื่อประมาณสักสองสามเดือนก่อนนะคะหนูปฏิบัติในรูปแบบแล้วหนูเห็นการทำงานของจิต จิตเนี่ยมันจะถอยออกมาเป็นผู้รู้แล้วมันจะมองลงมาในกายนี้ว่ามันทุกข์มันทุกข์แบบไม่มีบัญญัติอืว่าคืออะไรทุกข์เป็นทุกข์ที่หนูไม่เคยเห็นแต่โดยที่สมาธิมันไม่พอมันก็เลยมันก็เลยจบแค่นั้นคเนี่ยถ้ามันพอนะมันจะได้มากได้ผลไปเลยเพราะมันเห็นนะเห็นความจริงนะ้เห็นไหมว่ามันเป็นทุกข์เรียกสภาวะทุกข์ ไม่รู้อะไรทุกนะเป็นสภาวะทุกข์ใช่ค่ะมันไม่รู้จริงๆค่ะว่าอะไรมันทุกข์แต่มันมันยังไปตรงไหนมันก็ทุกข์เออนั่นแหละต่อไปกระทั่งถึงจิตนะจิตเนี้ยก็คือสภาวะทุกข์อีกอันหนึ่งยังลงตรงไหนก็ทุกข์หมดเลยเลยไม่มีที่ให้ยังสามโลกนี้เกิดไม่ได้แล้วมีแต่ทุกข์ทั้งหมดเลยดีไปพาวนาต่อไป หลวงพ่อมีการบ้านเพิ่มเติมไหมคะก็ไปดูอย่างเดิมนี้แหละค <c oughs> มันก็ยังมีมารยาที่ประณีตไปนะใช่ค่ะรู้เรื่อยๆไป <c oughs> ดีแล้วล่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าปฏิบัติจะทุกคนเหมือนกันหมดนะไม่ใช่นะเราก็มารยานะนะั้นแหละแต่ว่าเรารู้ว่ามารยาอยู่ปฏิบัติกับลูกค้าใช่ไหมสมมติมีลูกค้ามาเราไม่มีมารยาเลยเจอหน้านี่เธอหัดมีสติสั บ, บ้างสิ <c oughs> <c oughs> มันก็ได้ไม่ไม่ซื้อของเราสิ <c oughs> ใช่ไห ม, <c oughs> ม บ ค, คเราเล่นอยู่กับโลกก็ต้องรู้จักเล่นนะแต่รู้ว่าเล่นอยู่ไม่หลงไม่หลงว่ามันจริงครับนมาสการหลวงพ่อครับ أ, ผมมีคำถามนิดหนึ่งครับจ า, จากที่ฟังหลวงพ่อเทศนะครับถ้าเกิดรักสวยรักงามด้วยแล้วก็เ จ, กจ้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นด้วยะจ<า>คะควรใช้กรรมฐานแบบไหนครับ อ, อันไหนเด่นเานันนั้นแหละ าบางทีสติมันไม่ค่อยอยู่กับต้องกอระลอยมันหายไปนานสติเป็นของไม่เที่ยงนะมัเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ต้องซ้อมราะนั้นต้องทำในรูปแบบซ้อมจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้นะหรือสภาวะสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดแล้วรู้บ่อยๆการหัดรู้สภาวะบ่อยๆจะทำให้สติเกิดเร็ว อ, อย่างนี้ก็คือต้อง อ, อยู่ในที่ที่มีสติเกิดมากที่สุดใชครับโอ้อย่างนั้นดี เพราะว่าเราต้องมีที่สั ป, ปะยะอยู่บางที่สติแตก อ, อยู่ไม่ไหวแต่ถ้าจำเป็นต้องอยู่ก็ต้องอยู่ถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยง<อ>แต่ว่าพอฝึกจนเก่งแล้วนะอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันหนะมดอ่ะอย่างนี้ก็ควรแยกออกมาจากสังคมแล้วมาปฏิบัติก่อนแล้วไม่ควรไม่คว ร, ครไม่ต้องหนีโลกหรอกนะมันเว่อร์ไปหลบเป็นช่วงๆก็พอแล้วไม่ต้องหลบตลอดชีวิต บางทีมันาภาวนายากครับพอดีที่ที่บ้านก็พ่อพี่พี่ชายก็แบบทำไม่ทาไม่ดีชอบชอบมาทำทำร้ายแบบทำไม่ดีแกล้งก็ไม่เลเราอยัางต้องอยู่เราก็อยู่เราหลบออกมาได้เราก็หลบเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญคือรักษาใจของเราไว้ สมมติเราต้องอยู่แล้วใจเราไม่ชอบเนี่ยใจมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไปแต่ถ้าย้ายบ้านได้ออกมาได้เราอยู่ของเราได้แล้วก็มาตอนตอนภาวนาผมก็รู้สึกบีบบีบีบ บ, บีบตรหัวใจแล้วก็เกรงเกรงตอนที่เ ข, เข้าใกล้เขา <c oughs> อย่างอย่างนี้ควรจะอภาวนาห่างๆเขาใช่ไหมครับก็ที่หลวงพ่อบอกไงถ้าออกห่างได้ก็ออกออกไม่ได้ก็ต้องสู้เอา แล้วอีกคำถามนึงครับ น, นิพนธ์คื อ, อยังเหลืออะไรอยู่ครับแล้วหรือว่ า, ส, าสับศูนย์ไปเลยครับไม่ไม่สูนย์หรอกนะแต่อย่าเพิ่งเรียนเลยถ้าถ้าได้ยินแล้วนะั้นมันจะรู้สึกว่านิพพานจะมีอะไรเที่ยงอยู่อีกอย่างมันจะสุดตรงไปอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยให้เจอเองนะหนูมาจากภูเก็ตนะคะที่นี้เริ่ม เริ่มนั่งสมาธิมาได้ประมาณสองเดือนแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเดือนหนึ่งหลังๆเริ่มเห็นอะไรแปลกๆค่ะเห็นอะไรแปลกทีนี้เห็นผีเหรอเห็นอะไรแปลกก็น่าจะเป็นผีด้วยค่ะทีนี้จะถามว่าหนูควรจะก็เห็นไปแล้วก็ภาวนาไปหรือว่าใช่หนูดูไปนะไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่หรอก อย่างมากก็ผีมันก็บีบคอใจเราเป็นคนดูอ <atorium> <iyorum> นะเรามีใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นใจเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้แหละไม่มีอะไรทําร้ายเราได้หรอกแต่จะเห็นเฉพาะคนที่เราเหมือนเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเราอะค่ะอ๋อ<ด>นั่นเขามาขอส่วนบุญคนที่ไม่ใช่ญาติเรานะมาขอส่วนบุญเราไม่ค่อยได้หรอก คือเขาจะทําให้เราช้าไปไหมคะไม่ช้าเวลาเจอเขานะก็อุทิศส่วนบุญให้เขาค่ะคล้ายๆเราเป็นเศรษฐีนะเรามีบุญเยอะ <c oughs> เขา่ลําบากยากจนยากญาติยากจนมาหาเราก็ไล่เอาไล่เอากน่าสงสารค่ะดูในมุมของความสงสารนะถ้าความสงสารเกิดจะไม่กลัวเลยขอบคุณค่ะไปสู้เอานะกับน้ัสกาหลวงพ่อเจ้าคะ่ะ ส่งกันบ้านรอบหกเดือนนะคะหลวงพ่อ hmm. ก็ปฏิบัติในรูปแบบแบบที่หลวงพ่อสอนนะคะพุโทโธจิตไหลไปแล้วรู้ hmm. อย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าจิตมันหลงไปคิดอยู่ตลอดแทรกกับโทสะที่มีอยู่เรื่อยๆเพราะหนูเป็นคนหงุดหงิดง่ายอื hmm. และเห็นว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะคะมันได้มาใช้เวลาที่ชีวิตมันมีปัญหาคือตอนมีปัญหาเนี่ยปกติตอนที่เราไม่ได้ฝึกะคะ่ะหลวงพ่อ เหมือนจิตมันจะคิดเรื่องที่มันกำลังมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมันเกิดอยู่แค่ช่วงขณะแล้วมันก็ดับไปอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นว่าความทุกข์มันมันลดลงไปเยอะเลยก็ดีแล้วละไปฝึก อ, อีกนะที่ฝึกมาก็ถูกแล้วละทำอย่างนี้ต่อไปแบบที่หลวงพ่อสอนใช่ไหมคะใช่ค่ะพราะคุณเจ้าค่ะอะไรที่แม่สอนก็อย่าไปทำ <laughs> นะ ไป้านาอีกไปั้งหมดเวลาแล้วนะ